บุกทูหกสิห้าตการปฏิเสธสองนเกนตแหวนวงนี้แพงไหมคะอสจีริงดีรไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยูโรเนียสมรนยันด์ตีเรอสแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะมอรแอคเคนิตไฟักคุณเสร็จแล้วใช่ไหมอเซย์อัลตรไม่ยังไม่เสร็จค่ะเนีย nee. นกนีแต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะตตคุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะยยไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะ น, น, นแต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะ คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะวนยัยอลองคีรไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียวเนียนิตออมอนแต่ดีฉันรู้จักคนเยอะแล้วมอรอัคคนอบายมน คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะคอนยัายมัรรฮไฮสตูไรไม่คะ่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเอิรสดีโนวิคแต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะคะ่ะมัวร์แอคซอลซูนดักตรึกเวสลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะ Is jouw dochter een volwassene? ไม่ใช่ค่ะลูกดิฉันเพิ่งอายุ17ปี n e ียไแต่เธอมีแฟนแล้วนะมาร e ซเอตอ e เรี e ดเอฟริงคารุณาไปที่ www b o o k t o